วันนี้จะขอพูดเรื่องขันหขันห้าคืออะไรคำว่าขันแปลว่าส่วนประกอบห้าก็คือห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าส่วนประกอบห้าส่วนของชีวิตของพวกเราชีวิตของพวกเรา มีขึ้นมาได้เพราะเรามีขันธ์ห้าเหมือนกับศาลาหลังนี้มีขึ้นมาได้เพราะมีส่วนประกอบเช่นมีไม้มีสามขษีริมีปูนมีอิฐนี่เป็นส่วนประกอบของศาลาส่วนประกอบของชีวิตของพวกเรา ก็มีห้าส่วนเรียกว่าขันห้าคำว่าขันนี่ไม่ใช่ขันตักน้ำนะขันแล้วมีทอทงกลันตามมาด้วยภาษาบาลีซึ่งแปลว่ากองห้ากองแต่ถ้าจะแปลเป็นภาษาปัจจุบันก็ต้องห้าส่วนห้าส่วนห้ากอง ที่ทำให้เรามีชีวิตนี้ขึ้นมาได้ขันธ์ที่หนึ่งส่วนประกอบชิ้นที่หนึ่งก็คือรูปรูปนี้แปลว่าร่างกายรูปร่างหน้าตานี่คือร่างกายของเราทุกคนนี้มีรูปมีร่างกายที่เป็นอาการสามสองมีอาการสาสสองอย่าง เช่นมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อมีเอ็นกระดูกอาการ32นี้เป็นส่วนประกอบของร่างกายของรูปอีกทีหนึง่งรูปนี้เป็นส่วนประกอบของชีวิตของพวกเราพวกเราไม่ไม่เพียงมีแต่รูปอย่างเดียวพวกเรามีอีกสี่ส่วนด้วยกันคือความรู้สึกนึกคิดต่าง ส่วนที่สองเราเรียกว่าเวทนาเวทนานี้แปลว่าความรู้สึกเช่นความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์นี่เรียกว่าเวทนาเราทุกคนมีเวทนากันตอนนี้มีเวทนาแบบไหนไม่สุขไม่ทุกข์ใช่ไหมจะว่าสุขก็ไม่เชิงจะว่าทุกข์ก็ไม่ใช่ ถ้าหิวข้าวเนี่ยถึงเรียกว่าทุกข์ถ้ากินข้าวอิ่มมันก็เรียกว่าสุขถ้าไม่หิวไม่อิ่มก็เรียกว่าเฉยๆกลางๆเนี่ยนี่คือเวทนาองค์ส่วนประกอบส่วนที่สองของชีวิตของพวกเราส่วนที่สเรียกว่าสัญญาสัญญานี้ไม่ได้หมายถึงสัญญาว่าเราจะทํานู่นทํานี่ จะเป็นคู่ครองกันไปตลอดเนีสัญญานี้แปลว่าความจำได้หมายรู้เนี่ยภาษาพระกับภาษาไทยบางทีมันใช้ตัวเดียวกันแต่มีความหมายต่างกันเลยต้องมาทำความเข้าใจกันใหม่เช่นเวทนานี่ก็ต่างกับเวทนาแต่สะกดเหมือนกัน เวทนาแปลว่าสมเพศน่าสงสารแต่เวทนาแปลว่าความรู้สึกเนี่เวทนานี้เป็นขันธ์ที่สองในขันธ์ห้าขันธ์ที่สามในขันธ์ห้าคือสัญญาสัญญาแปลว่าความจำได้หมายรู้จำหน้าคนนั้นได้รู้ว่าคนนั้นเป็นใครอย่างนี้นี่คือสัญญา เราต้องมีสัญญาเราถึงจะคุยกันรู้เรื่องคนไม่มีสัญญาเรียกว่าคนมีอัลไซเมอร์ความจำได้ไหมรู้บกพร่องไม่ทำงานเห็นใครก็จำไม่ได้ไม่รู้ว่าเป็นใครเรียกว่าอัลไซเมอร์แต่คนที่มีสัญญานี้จะจำได้พอเห็นหน้าใคร ก็จะจำได้อ๋อเคยเห็นคนนี้มาก่อนชื่อนั่นชื่อนี้แต่ถ้าอายุมากขึ้นแก่มากขึ้นความจำได้หมายรู้นี้มันจะเสื่อมเ้าเรียกว่าคำจำเสื่อมบางทีไม่ได้เห็นหน้ากันนานๆก็จำไม่ได้แล้วว่าเป็นใครนี่คือส่วนประกอบส่วนที่สองเรียกว่าส่วนที่สามเรียกว่าสัญญาส่วนที่สี่เรียกว่าสังขาร สังขารนี่ไม่ใช่ร่างกายนะเนี่ยเดี๋ยวจะเข้าใจผิดกันเองสังขารตัวนี้แปลว่าความคิดปรุงแต่งความคิดต่างๆที่เราคิดกันอยู่ตั้งแต่ลืมตาขึ้นมานะคิดว่าวันนี้จะไปทำอะไรดีไปหาใครดีนี่เรียกว่าสังขารทุกคนมีสังขารเตินขึ้นมาก็เริ่มคิดกันแนละ้วว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่วันอะไร ต้องไปทํางานหรือเปล่าออนี่เรียกว่าสังขารความคิดปรุงแต่งแล้วองค์ประกอบส่วนประกอบที่หเรียกว่าวิญญาณออวิญญาณตัวนี้ต่างกับวิญญาณที่เราพูดถึงคนตายนะเวลาคนตายนี่ร่างกายตายไปรูปปั้นตายไปแต่จิตใจที่มา ของร่างนี้ของร่างกายไม่ได้ตายไปกับจิตใจพอไม่มีร่างกายจิตใจก็เปลี่ยนชื่อเป็นดวงวิญญาณไปแต่วิญญาณในขันหานี้คนละตัวกันวิญญาณในขันห้าคือตัวที่ไปรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสที่มาทางตาหูจมูกลิ้นกายคือเป็นผู้รับรู้รูปเสียงกลิ่นรส วิญญาณนี่แหละเป็นตัวที่ไปเกาะพาจิตใจให้ไปเกาะติดกับร่างกายร่างกายเป็นรูปประขันแล้วเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้เป็นนามขันเป็นส่วนประกอบของจิตใจหรือของดวงวิญญาณอีกทีหนึง่งแล้วการที่ดวงวิญญาณจะมาเกาะติดกับร่างกายนี้ได้ ก็ต้องอาศัยวิญญาณในขันหนะ้าวิญญาณในขันห้านี้เป็นเหมือนสายไฟที่เราใช้เสียบนะที่เราเวลาเราใช้หูฟังกับเครื่องมือถือนะเราต้องมีสายไฟสายเชื่อมที่จะเชื่อมนะเครื่องกับหูฟังนะอันนี้ก็เหมือนกันดวงวิญญาณของเราหรือจิตใจของพวกเราก็ต้องมี ต้องใช้วิญญาณในขันห้าเป็นผู้ที่มาเชื่อมเกาะติดกับร่างกายคือรูปรูปประขันวิญญาณก็จะมาเกาะที่ตาหูจมูกยื่นกายเพื่อที่จะได้รับรูปเวลาตาเห็นรูปเวลาร่างกายเห็นรูป เห็นรูปคนนั no ้นเห็นคนนี้เรียกว่ารูปสิ่งที่เข้ามาทางตานี่เรียกว่ารูปอันนี้รูปคนละรูปกับรูปประขันใช่รูปประขันนี่คือร่างกายส่วนรูปที่เข้ามาทางตานี้เป็นรูปที่เราเห็นด้วยตารูปต้นไม้รูปคนรูปสัตว์รูปภูเขารูปอะไรต่างๆ นี่เราเรียกว่าถ่ายรูปเนี่ถ่ายรูปนี่คือรูปพอตาเห็นรูปปั๊บใจจะรู้ว่ารูปนั้นได้หรือจะเห็นรูปจา ก, ากตาก็ต้องมีวิญญาณไปรับมาอีกทีวิญญาณในขันห้าเป็นเหมือนสายไยที่เชื่อมอเช่นหูฟังเนี่ยหูฟัง ต้องมีสายเชื่อมติดกับเครื่องแล้วเสียงที่ออกจากเครื่องก็จะวิ่งไปในสายไฟแล้วก็ไปออกที่หูฟังอีกทีหนึ่งนะวิญญาณก็เป็นเหมือนสายที่ไปเกาะที่ตาหูจมูกลิ้นกายมีห้าสายด้วยกันนะวิญญาณทางตาวิญญาณทางหูวิญญาณทางจมูกทางลิ้นนะทางร่างกายนะ มีอยู่ห้าสายพออะไรมาเข้ามาทางตาวิญญาณก็จะส่งรูปไปให้ใจทันทีใจคือผู้รู้ใจก็จะรับรู้ว่า อ, อ๋อตอนนี้มีรูปพอมีรูปแล้วสัญญาคือตัวความจำได้หมายรู้ก็จะมาตรวจสอบว่ารูปนี้เป็นรูปของใคร เคยเห็นมาก่อนหรือไม่เคยรู้จักมาก่อนหรือไม่ก็จะรายงานบอกว่ารูปนี้คือคนนั้นคนนี้หรือรูปนี้คือคนไม่เคยรู้จักมาก่อนพอรายงานให้ใจทราบว่ามีรูปรูปนี้เป็นคนนั้นคนนี้คนนั้นคนนี้เป็นเพื่อนหรือเป็นศัตรูสมมติเนีพอ ใจรับรู้แล้วก็จะเกิดความรู้สึกขึ้นมาถ้าเป็นรูปของเพื่อนก็จะเกิดสุขเวทนาขึ้นมาเกิดความรู้สึกสุขขึ้นมาถ้าเป็นศัตรูก็จะเกิดความรู้สึกทุกข์ขึ้นมาเพราะจำได้ว่าในอดีตเวลาเจอกันมันทำให้เราทุกข์เนี่ยศัตรูไม่เคยทำให้เราสุขเจ้ากรรมนเวร พอเจอกันก็จะรู้ว่าทำให้เราทุกข์พอสัญญาความจำได้หมายรู้ว่าเฮ้ย hey, สัตว์ตัว้ะความทุกข์ก็โผล่ขึ้นมาทันทีความรู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาหรือเจ้ากรรมนายเวรหรือเจ้าหนี้เจ้าหนี้ก็ได้อันนี้มาทีไรมาทวงหนี้ทุกทีอันนี้ ขั้นต้นคือวิญญาณไปรับเอารูปมาแล้วก็สัญญาก็ทําหน้าที่ตรวจสอบว่าเป็นรูปของอะไรรูปอะไรเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูหรือเป็นกลางๆไม่เป็นมิตรไม่เป็นศัตรูถ้าเป็นมิตรก็ดีใจอ๋อคราวที่แล้วเจอกันไปเที่ยวกันไปกินไปดื่มไปสนุกสนานกันวันนี้คงจะได้ไปเที่ยวกันถึงแล้ ก็เกิดสุขขวเวทนาขึ้นม า, าถ้าไปเจอศัตรูคราวที่แล้วทะเลาะกันตีกันเนี่ย เ, เจ็บตัวเจ็บเนื้อเจ็บตัวก็เกิดทุก ข, ขเวทนาขึ้นมาแล้วก็ถ้าเจอคนที่ไม่รู้จักไม่รู้ว่าเป็นใครไม่รู้ว่าเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูก็เลยรู้สึกเฉยเฉยไปก่อนเพราะยังไม่สามารถที่จะตัดสินได้ว่าเป็นมิตรหรือเป็นศัตรู ก็เลยรู้สึกเฉยๆเป็นกลางไปก่อนนี่คือการทำหน้าที่ของขันห้าเนี่ยทำมาสี่ขันแล้วเนี่ยตอนต้นก็ร่างกายไปรับรูปมาก่อนรับรูปรับเสียงรับกลิ่นรับห้าอย่างด้วยกันแล้วก็ส่งมาที่ใจผู้รู้ผู้รู้ก็ใช้สัญญาตรวจสอบว่าเป็นอะไร ถ้าเป็นมิตรก็สุขถ้าเป็นศัตรูก็ทุกข์ถ้าไม่เป็นมิตรไม่เป็นศัตรูก็รู้สึกเฉยเฉยแล้วพอมีความรู้สึกถ้าเป็นศัตรูรู้สึกทุกข์ขึ้นมาสังขารก็จะปรุงแต่งตามมาทำไงดีคิดแล้วสิหลบได้ไหมปิดประตูได้ไหมปฏิเสธไม่ต้อนรับเขาได้ไหมความคิดก็จะโผล่ขึ้นมาถ้าเป็นมิตรก็ นี่เปิดประตูเลยต้อนรับเนี่ยอันนี้เป็นการทำงานของสังขารเนี่ยนี่แหละคือขันห้าทำงานแบบนี้ทำงานโดยอัตโนมัติรวดเร็วที่พูดมานี่มันมันยาวเหยียดแต่เวลาเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงๆนี่มันแค่เร็วกว่าวินาทีหนึ่งเสียได้ซ้ำไปพอเห็นรูปปับ๊บความรู้สึกสัญญาความรู้สึกตามมาสังขารคิดกัน ไปแล้วเร็วมากรวดเร็วมากนะเห็นไหมพองูหล่นลงมาตัวนี้กระโดดปึ๊บเลยเนี <c> ่ย <oughs> ความรู้สึกมันจิตใจมันรวดเร็วมากเนี่ย <c oughs> รูปนี้คือร่างกายเนะี่ยที่พูดถึงส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญานนี้เป็นลูกน้องหรือเป็นผู้รับใช้ใจเป็นสองสุสองสองกลุ่มใหญ่ๆรูปประขันกับนามขัน เมตนาสัญญาสังขารวิญญาเรียกว่านามขันมากับใจส่วนรูปนี้มามาด้วยดินน้ำลมไฟรูปคือร่างกายนี้ทํามาจากดินน้ำลมไฟข้าวที่เรากินเข้าไปนี่เป็นดินมน้ำที่เราดื่มก็เป็นไฟความร้อนที่ได้จากแสงอาทิตย์นี่ก็เป็นธาตุไฟ ลมที่เราหายใจเข้าออกก็ธาตุลมเนี่ยทให้มีรูปประขันขึ้นมาคือมีร่างกายแล้วขันทั้งห้านี้พระพุทธเจ้าทรงคนพบหลังจากศึกษาอย่างท่องแท้แล้วว่าไม่มีตัวตนไม่มีตัวเราตัวเขาอยู่ในร่างกายอยู่ในขันห้าเนีเป็นเหมือนธรรมชาติ เป็นเหมือนฟ้ารลบเหมือนฟ้าร้องเวลาฟ้าแลบฟ้าร้องเหมือนกับมีคนตะโกนมีคนเปิดไฟฉายแต่ไม่มีคนไม่มีคนไปเปิดไฟไม่มีคนไปไปส่งเสียงร้องฉันใดขันห้านี้ก็ไม่มีคนไม่มีตัวตนอยู่ในขันห้านี้เป็นธรรมชาติเหมือนดินฟ้าอากาศเหมือนฟ้าแลบเหมือนฟ้าร้อง แต่ใจของพวกเรานี้ไม่มีใครสอนก็เลยไปหลงไปคิดว่าเป็นเราเป็นตัวเราไปไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราไปคิดว่าเวทนาสัญญาสัังขารวิญญาณเป็นตัวเราเรารู้สึกสุขรู้สึกทุกข์เราคิดเราจำได้ไหมรู้เรารับรู้เราเห็นรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ย อันนี้เป็นความเข้าใจผิดไอ้ตัวนี้แหละที่เป็นตัวปัญหาที่ทำให้พวกเรานี้ต้องทุกข์กันทุกวันนี้เพราะเราไปหลงคิดว่าขันห้านี้เป็นตัวเราแล้วพอมันเป็นตัวเราเราก็เกิดความอยากขึ้นมาอยากให้มันจีรังถาวร อ, อยากให้มันให้ความสุขกับเราตลอด อยากให้มันเป็นของเราอยู่กับเราไปตลอดแต่มันตามความเป็นจริงมันไม่เป็นอย่างนั้นมันเป็นตรงกันข้ามกันร่างกายของเราก็ไม่เที่ยงไม่ถาวรเกิดแล้วเดี๋ยวก็ต้องตายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เกิดแล้วก็ดับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เรื่อยๆตอนนี้สุขพั๊บเดี๋ยว ความสุขก็หายไปความไม่สุขไม่ทุกข์ก็เข้ามาหรือบางทีความทุกข์ก็เข้ามาแทนที่สัญญาก็เหมือนกันบางทีก็จำได้บางทีก็จำไม่ได้จำวันที่วันเดือนปีบางทีก็จำได้อาทิตย์ที่แล้ว ว, วันที่นั้นวันที่นี้ไปทําอะไรที่นั่นที่นี่แต่ถ้ามันยิ่งไกลไปยิ่งไกลนี่ แทบจะจําไม่ได้ความจํามันมีรัศมีถ้าเหตุการณ์ใกล้เคียงเกิดขึ้นเมื่อนิคเมื่อกี้นี้ อ, อยังพอจะจําได้เมื่อวานนี้ถ้าจะจํายากขึ้นหน่อยถ้าอาทิตย์ที่แล้วนี่บางทีจําไม่ได้เลยถ้าอยากจะจํานี้ต้องมาไล่แล้วต้องต้องมาเรียงไล่เหตุการณ์ถอยหลังกลับไปวันนี้เ อ, อเมื่อวานนี้เมื่อเลยเ ต้องไล่กลับไปทีละวันถึงจะจําได้ต้องนึกต้องใช้ความคิดมาช่วยอีกทีถึงอาจจะจําได้ว่าอ๋ออาทิตย์ที่แล้วเป็นวันพระรหัตวันพระหัสธรรมดาเราทําอะไรบ้างอบางคนก็มาวาดัดประจำํำก็เริ่มใช้ความคิดนี้มาช่วยความจําอีกทีหนึ่งเดี๋ยวพอนั่งคิดไปสักพักหนึ่งก็ จ, จะจําได้ว่าออวันพระรหัสเรา เวลานี้เรามานั่งฟังเทศฟังธรรมที่นี่อ๋อเราเจอคนนั่นเจอคนนี้หลังจากออกที่นี่ไปเราก็ไปที่นูน่นที่นั่นต่ออันนี้บางทีต้องใช้ความคิดช่วยขุดค้นความจำขุดค้นอดีตขึ้นมาแต่ความคิดก็เป็นของไม่เที่ยงคิดแล้วก็หยุดหายไปจำได้แล้วก็หยุดหายไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปจำเรื่องใหม่ คิดเรื่องใหม่รูปเสียงกลิ่นรสที่วิญญาณรับรู้ก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเสียงนี้เห็นไหมพอได้ยินปั๊บมันก็หายไปแล้ววิญญาณที่รับเสียงมามันก็หยุดทํางานพอไม่มีเสียงเข้ามาวิญญาณทางหูมันก็หยุดทํางานไปแล้วเดี๋ยวพอมีเสียงเข้ามาใหม่วิญญาณทางหูก็รับรู้ใหม่ะมันเกิดดับเกิดดับแต่ ทางนามขันคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้มันเกิดดับเกิดดับแต่มันไม่หายเหมือนนั่งกายเนี่ยนั่งกายนี้มันเกิดแล้วตายพอตายแล้วมันหายไปเลยเพราะว่าส่วนที่มารวมตัวกันคือดินน้ํำลมไฟมันแยกตัวไปพอร่างกายไม่หายใจธาตุลมก็หายไปธาตุไฟคือความร้อนก็หายไปทิ้งไว้นานๆธาตุน้านําก็หายไป เหลือแต่ร่างกายที่แห้งกรอบเหลือแต่เนื้อหนังมังสาที่แห้งกรอบห่อหุ้มโครงกระดูกแล้วทิ้งต่อไปมันก็ผุพังไปกลายเป็นดินไปกลายเป็นฝุ่นไปร่างกายนี้หายหรือหายเลยไม่กลับมาอีกแต่เวทนาสัญญาสังขารวิญญานี้หายไปแล้วแต่กลับมาใหม่พอสุขแล้วเดี๋ยวมันก็กลับมาทุกข์ใหม่ เดี๋ยวทุกข์แล้วเดี๋ยวมันก็กลับมาสุขใหม่เดี๋ยวคิดถึงเรื่องนั้นแล้วก็ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ต่อคิดเรื่องนี้แล้วก็ไปคิดถึงคนนั้นต่อมันก็คิดอยู่เรื่อยๆแต่มันเปลี่ยนเรื่องคิดไปเรื่อยๆท่านเรียกว่ามันไม่เที่ยงเพราะมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้หมายความว่ามันสูญหายนะคำว่ามันเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงแปลว่าการเปลี่ยนแปลงอันนี้จังแปลว่าการเปลี่ยนแปลง นี่คือเรามาศึกษาส่วนประกอบของชีวิตของพวกเราเพื่อให้เราปล่อยวางเข้าใจไหมอย่าไปถือว่าเป็นตัวเราของเราเพราะพออะไรเป็นตัวเราของเราเราจะยึดเราจะติดเราจะอยากให้มันไม่เปลี่ยนแปลงเพราะเราชอบของบางอย่างแล้วเราไม่อยากจะเสียมันไปนั่นเองเราชอบสุขเวทนานเราก็เลยไม่อยากให้สุขเวทนาหายไป แต่เราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้มันเป็นธรรมชาติเหมือนเนี่ยลมพัดตอนเนี้ยเราไปควบคุมลมไม่ได้เราจะสั่งให้ลมหยุดพัดไม่ได้เวลามันไม่พัดจะสั่งให้มันพัดก็ไม่ได้เนี่ยขาหน้าก็เป็นเหมือนลมเนีลมหรือแสงแดดแสงสว่างหรือเนี่ยฟ้าลอ้อฟ้าแลบเนี่ย เป็นธรรมชาติที่ไม่มีใครมาเป็นคนสั่งมันเกิดขึ้นจากเหตุจากปัจจัยที่ไปกระตุ้นให้มันเกิดขึ้นมามร่างกายของเราก็เกิดมีปัจจัยทําให้มันเกิดขึ้นมาปัจจัยที่ทําให้ร่างกายเราเกิดขึ้นมาคืออะไร<ม>ก็คือการผสมพันธุ์ของพ่อของแม่เนี่ยใช่ไหมพอมีเชื้อของพ่อกับเชื้อของแม่มาจิเจอกันปั๊บเนี่ย ก็เหมือนหนุ่มสาวเจอกันในชะ่ไหมหนุ่มสาวเจอกันก็แต่งงานกันนะพอเชื้อของพ่อของแม่มาเจอกันปั๊บมันก็มาสร้างร่างกายขึ้นมานะแล้วจะสร้างสําเร็จก็ต้องมีส่วนประกอบที่สามก็คือดวงวิญญาณเนะี่ยดวงวิญญาณที่มาในรูปของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนะี่ย วิญญาณก็จะมาเกาะติดกับตาหูจมูกลิ้นกายของร่างกายที่กำลังก่อสร้างขึ้นมาอยู่ในท้องแม่ตอนที่มีปฏิสนธิตอนที่ตั้งขันแสดงว่าตอนนั้นส่วนประกอบของชีวิตครบสมบูรณ์แล้วส่วนของร่างกายก็มาจากพ่อจากแม่ส่วนของจิตใจก็มาจากดวงวิญญาณมารวมกันเป็นขันห้าในร่างกาย นเริ่มต้นของขันห้าเริ่มต้นที่ในท้องแม่นี่เอง<ม>แล้วอยู่ในท้องแม่ได้เก้าเดือน<ๆ>ก็จเจริญเติบโตจนต้องย้ายที่อยู่เพราะว่าที่มันแคบๆเกินไปอยู่ไม่ได้แล้วแน่นท้องแม่แม่ก็บอกให้ลูกออกไปอยู่ข้างนอกดีกว่าแม่แบกไม่ไหวแล้วแน่นท้องปวดท้อง ก็เลยคลอดลูกออกมาเนลูกนี้ก็คือเราเนี่ยพวกเราเนี่ยคือลูกที่ออกมาจากท้องแม่ด้วยกันแล้วร่างกายของเรามันก็เปลี่ยนแปลงไปทุกวันตั้งแต่วันแรกที่ออกมาจากร่างกายมันก็ค่อยเติบโตขึ้นไปทีละนิดทีละหน่อยเพราะมันเติมดินน้ำลมไฟเข้าไปอยู่เรื่อยๆลมก็หายใจเข้าไปอยู่เรื่อยๆน้ำก็ดื่มเข้าไปอยู่เรื่อยๆ อาหารคือดินก็กินเข้าไปอยู่เรื่อยๆความร้อนก็ได้จากแสงแดดได้จากผ้าหม่มได้จากอาหารที่กินเข้าไปมันก็ผลิตความร้อนให้กับร่างกายด้วยร่างกายก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆช่วงแรกก็เปลี่ยนแปลงไปในด้านของการเจริญเติบโตเแม้จากทารกขึ้นมาก็เป็นเด็กคลานเด็กคลานแล้วก็เป็นเด็กล้มลุกคุกคลาน แล้วก็เป็นเด็กยืนได้เดินได้วิ่งได้แล้วต่อไปก็เริ่มเป็นเด็กโตไปโรงเรียนแล้วก็เป็นเด็กผูเกเก้เด็กเด็กใหญ่เด็กเด็กโตก็มันเด็กใหญ่จากโรงเรียนก็ไปมาหาอะไรเรียนจบมาหาอะไรออกมาก็ไปทำงานก็เป็นผู้ใหญ่แนละ้วทีนี้พอเริ่มทำงานก็เป็นผู้ใหญ่ ทำไปสี่สิบปีสามสิบกว่าปีก็เกษียณอายุก็เป็นผู้เฒ่าเป็นผู้แก่แล้วก็อยู่แบบผู้แก่ไปอีกสิบปียี่สิบปีก็เป็นผู้เจ็บแล้วก็ต่อไปก็เป็นผู้ตาย น, นี่คือการเปลี่ยนแปลงของรู ป, ปรขันคือร่างกายของเรามีใครไปสั่งมันได้ไหมถ้าเป็นของเราเราต้องสั่งมันได้น สั่งให้มันไม่แก่สั่งให้มันไม่เจ็บสั่งให้มันไม่ตายสั่งไม่ได้สั่งให้มันไม่โตไม่ได้ตอนที่ออกจากท้องแม่ตอนที่อยู่ในท้องแม่สั่งให้มันไม่ออกมาจากท้องแม่ก็สั่งไม่ได้ของทุกอย่างมันเป็นไปโดยธรรมชาติธรรมชาติเป็นตัวจัดการให้ร่างกายของเรานี้มันเป็นไปตามขั้นตอนของมันขั้นตอนแรกก็ให้มันเกิดในท้อง พอมันจเจริญเติบโตจนครับนัครับท้องก็ถูกคลอดออกมาแล้วก็มาโตจเจริญเติบโตต่อไปจนเป็นคนโตเป็นผู้ใหญ่เป็นคนแก่เป็นคนเจ็บแล้วในที่สุดก็เป็นคนตายไปยนี่ยงงั้นสาเหตุที่พวกเรามาทุกข์กับร่างกายก็เพราะว่าเราไปคิดว่าเราเป็นร่างกาย ซึ่งเป็นเพลงความคิ ด, ดนั้นความจริงมันไม่ได้เป็นตามความคิดเสมอไปเหมือนสมัยก่อนคนเขาคิดว่าโลกนี้แบนมันจริงหรือเปล่าคนสมัยก่อนคิดว่าโลกนี้แบนกันนะเพราะมองไปมันก็แบนเลยครับกลัวนั่งไม่ก้าวหรือนั่งเรือออกไปไกลๆไหมกลัวเดี๋ยวตกขอบตกขอบทะเลใช่ไหมเกลียวถ้ามันเป็นแบนก็ เ, เหมือนโต๊ะเนี่ย นั่งไปไกลๆเดี๋ยวมันก็ตกออกจากขอบโต๊ะมาล่วงออกจากโต๊ะไปก็ไม่รู้จะไปไหนแล้วถ้าตกจากขอบทะเลไม่รู้จะตกไปถึงไหนก็ไม่รู้สมัยก่อนคนไม่กล้าออกเรือไปไกลๆเพราะคิดว่าโลกแบนเหมือนโต๊ะแต่ในที่สุดก็มีคนฉลาดนั่งคิดนอนคิดอยู่ในที่สุดก็พบว่ามันไม่แบนมันกลม เราทุกวันนี้ไม่มีใครคิดว่าโลกนี้แบนนะโลกนี้กลมฉันได้พระพุทธเจ้าก็เป็นคนมานั่งคิดนอนคิดว่าไอ้ร่างกายนี้มันเป็นเราเราอยู่ตรงไหนของร่างกายก็ลองค้นหาในร่างกายมันก็ไม่มีเราตรงไหนมีแต่อาการสาิสองผมเป็นเราหรือเปล่าเวลาตัดผม ต, ตัดผมทิ้งไปเราหายไปกับผมหรือเปล่าเราก็ยังอยู่ ถอนฟันออกมาเอาฟันทิ้งไปเราก็ยังอยู่ตัดเล็บมันเราก็ยังอยู่สมัยนี้เปลี่ยนหัวใจเราก็ยังอยู่เห็นไหเปลี่ยนตับเปลี่ยนไตเราก็ยังอยู่เราไม่ได้อยู่ที่ในร่างกายเลยไม่ได้อยู่ที่อวัยวะสามสิบสองเราอยู่ที่ความคิดพระพุทธเจ้าบอกอ๋อเราคิดพอคิดว่าเรามันก็เลยเชื่อตามที่เราคิดขึ้นมา คิดว่าร่างเหมือนคนที่คิดว่าโลกนี้แบนเห็นไหมก็เชื่อตามความคิดของตนเวลานั่งสมาธิหยุดคิดเราหายไปไหนไม่มีเราแลสิเพราะตัวคิดมันหยุดคิดเนี่ยเหลือแต่ตัวรู้พระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าตัวเรานี้ก็คือตัวรู้ท่านนันเองที่มีลูกน้องคอยรับใช้เราคือตัวเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ย พอเราใช้ความคิดเราก็เลยคิดว่าเราเป็นนู่นเป็นนี่นอกจากเป็นตัวเราแล้วยังเป็นหญิงเป็นชายเป็นสวยหรือไม่สวยคิดไปมันเป็นแค่ความความคิดแค่นั้นเองความจริงมันอาจจะไม่ได้เป็นตามที่เราคิดก็ได้การที่เราคิดว่าร่างกายเป็นเราเนี่ยมันไม่เป็นเรามันไม่ตรงกับความเป็นจริง ถ้าลองค้นคว้าหาดูแล้วศึกษาดูแล้วก็จะเห็นว่าร่างกายนี้มันเป็นดินน้ำลมไฟเป็นเหมือนต้นไม้ต้นไม้กับร่างกายนี้ไม่ต่างกันทำมาจากดินน้ำลมไฟเหมือนกันต้นไม้มันโตขึ้นมาได้อย่างไรมันก็มีดินคอยให้อาหารมันมีน้ำคอยให้อาหารมันมีอากาศให้มันหายใจมีความร้อน ถ้าต้นไม้ไปปลูกในที่เครือัวโลกเหรือมันจะขึ้นไหมไม่ขึ้นหรอกมันไม่มีความร้อนไปปลูกที่ทะเลทรายมันก็ไม่ขึ้นอีกเพราะมันไม่มีน้ำมันต้องมีธาตุทั้งสี่ครบบริบูรณ์มันถึงจะทำให้มีต้นไม้มีร่างกายปรากฏขึ้นมาได้ร่างกายของพวกเราไม่ไม่ไม่มีวันที่จะไปเกิดในทะเลทรายได้ เดยก็ตายถ้าพ่อแม่ไปอยู่ในทะเลทรายเดี๋ยวก็ตายไม่มีน้ำไม่มีอะไรให้มาดืม่มถ้าไปอยู่ขั้วโลกเหนือก็ต้องอยู่แบบเอสกิโมะนี่คือขันห้าเนี่ยเป็นเป็นตัวที่ประกอบให้ให้มีชีวิตของพวกเราขึ้นมา แต่ชีวิตของพวกเรานี้ไม่ใช่ของเราขอให้เข้าใจไว้ <_ d ata> ชีวิตของพวกเราเป็นของธรรมชาติ <_ d ata> เพราะเรายืมมาจากธรรมชาติเรายืมมาจากดินน้ำลมไฟร่างกายนี้เรายืมมาจากดินน้ำลมไฟเดี๋ยววันหนึ่งดินน้ำลมไฟก็จะมาขอคืนไปดินก็จะมาขอเอาดินกลับไปลมก็จะขอลมกลับไปไฟก็จะขอลมกลับไป เวลาร่างกายตายนี่ลมก็กลับไปหาลมใะไหมน้ำก็กลับไปหาน้าไฟก็กลับไปหาไฟดินก็กลับไปหาดินนี่คือสิ่งที่เราต้องสอนใจที่ท่านเรียกว่าอนัตตาเนี่ยขันห้าเป็นอนัตตารูปคือร่างกายนี้เป็นอนัตตาเป็นดินน้ำลมไฟ เป็นอ น, นิจจังไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆอมีเกิดแล้วต้องมีดับมีเจริญแล้วต้องมีเสือ่อมอนัตตาไปสั่งไปห้ามเขาไม่ได้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นเหมือนกันเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวสุขบ้างเดี๋ยวทุกข์บ้างเดี๋ยวไม่สุขไม่ทุกข์ เดี๋ยวคิดเรื่องที่ทําให้สบายใจบ้างเดี๋ยวคิดเรื่องที่ทําให้ไม่สบายใจบ้างความคิดก็มีอิทธิพลต่อความรู้สึกของใจเราคิดเรื่องที่ดีก็ทําให้สุขใจคิดที่เรื่องไม่ดีก็ทําให้ไม่สบายใจแล้วมันก็หายไปพอหยุดคิดความรู้สึกสบายใจหรือไม่สบายใจมันก็หายไปมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาของมันอยู่อย่างนี้อยู่เรื่อยๆ พระพุทธเจ้าบอกปัญหาของเราอยู่ที่ความคิดของเราทั้งนั้นเองเราต้องมาแก้ที่ความคิดของเราเพราะความคิดของเราน said, ี้มันคิดไม่ตรงกับความเป็นจริงมันคิดฝืนความจริงพอมันฝืนความจริงแล้วมันจะเครียดเหมือนพาะมันอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่ความจริงมันไม่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันก็เครียดขึ้นมา เห็นหพวกสาวๆนี่อยากจะสาวอย่างเดียวอยากจะสาวไปตลอดอนะี่ยพอมอีอะไรมีผมหงอกขึ้นมาเอมีสิวมีฝ้าขึ้นมามีรอยด่างบนผิวหนังขึ้นมาก็เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาเพราะอะไรเพราะความคิดนี่แหละคิดอยากให้ร่างกายเราสวยเรางามเอ พอมัไม่สวยไม่งามตามความอยากของเราเราก็เลยเครียดขึ้นมาไม่สบายใจขึ้นมาต้องไปหาผู้เชี่ยวชาญทางด้านผิวหนังสมัยนี้พวกหมอนี่เขาชอบเรียนทางผิวหนังกันเพราะหาเงินดีหาเงินง่ายกว่าพวกหมอหัวใจหมอตับหมอไตนี่ต้องไปผ่าไปเจอแต่ของหน้าขยะขยะเหมือนหมอผิวหนังนี่ เจอแต่ผิวแล้วก็ทำให้ผิวสวยผิวงามผิวเนียนเดี๋ยวนี้หมอจึงนิยมเป็นหมอผิวหนังกันเยอะลูกค้าก็เยอะด้วยคนที่อยากจะให้ผิวเนียนผิวสวยผิวงามไปนานๆก็จะไปตามคลินิกต่างๆพอมีรอยย่นหน่อยไปแล้วมีรอยเหี่ยวหน่อยไปแล้ว พอดูกระจกปั๊บโอ้ยเริ่มเหียวปีนกาเริ่มโผ ล, ล่ละไปหาหมอเดี๋ยวหมอจัดการให้เดี๋ยวแป๊บเดียวฉีดนู่นฉีดนี่เข้าไปหน่อยหายไปละะแต่ทําไม่ได้สักพักเดี๋ยวมันก็ทําไม่ไหวอยู่ดีเพราะมันร่างกายมันเหนือเราเนะี่ยเราไม่เหนือมันนะมันเหนือเรามันไม่ได้เป็นของเรามันเป็นของมันมันต้องเป็นไปตาม หน้าที่ของมันมันจะต้องแก่จะต้องเหี่ยวจะต้องย่นในที่สุดก็ทาไม่ไหวในที่สุดก็ต้องยอมแพ้ยอมแพ้แล้วสบายไหมเทนี้ไม่ต้องมาคอยกังวลกับเรื่องผิวนะไปไหนก็ไปอย่างนี้เร้ว่าแต่ตอนที่ยังทำได้นี้ไม่ยอมเด็ดขาดถ้ายังทำให้มันแต่งตึงได้นี้ไม่ยอม แต่พอมันทําไม่ได้แล้วมันยอมมันยอมมันก็เลยหายเครียดมันก็ได้อยู่แบบคนแก่ได้เห็นพระพุทธเจ้าถึงมาสอนให้พวกเราให้ยอมดีกว่ายอมหยุดแล้วก็จะเย็นถ้าไม่ยอมก็จะสู้ใช่ไจะสู้กับธรรมชาติจะสู้กับความแก่จะสู้กับความเจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนตอนเนี้ยกําลังจะมีโรคระบาดกําลังจะต้องเป็นหวัดกันเนี่ย อย่าไปสู้มันเรยยอมเป็นดีกว่าแล้วจะสบายใจเป็นก็เป็นว่าอย่างมากก็ตายถ้าไม่หายก็ตา ย, ยาดูสถิติแล้วมันกค่แค่สองเปอร์เซ็นตท่านั้นเองคนร้อยคนเป็นนี่ตายประมาณสองคนเท่านั้นเองเฉะนั้นส่วนใหญ่ก็เป็นคนแก่ด้วยคนที่มีโรคภัยไข้เจ็บอยู่แล้วที่ตายกัน แต่คนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นคนที่แข็งแรงมีกำลังวางชานี้เป็นแล้วก็หายกันเงนี้ยนยอมเป็นดีกว่าอย่าไปไม่ยอมเป็นแล้วไม่ยอมเป็นแล้วต้องคอยใส่หน้ากากต้องคอยล้างมือเช็ดมือต้องคอยหลีกเลี่ยงคนนู้นพอคนนั้นไอหน่อยก็สะดุ้งขึ้นมานะยอมเป็นดีกว่าเราจะได้สบายใจแต่ก็ไม่ให้ประมาทยอมเป็นเพื่อความสบายใจ ถ้าเป็นก็ถ้าเป็นก็ไม่เดือดร้อนเพราะยอมแต่ก็ระมัดระวังล้างมือได้ก็ล้างเช็ดมือได้ก็เช็ดอย่าไปอยู่ใกล้คนที่เ้าไอเขาจามได้ก็อย่าไปอยู่อย่าไปอยู่ในที่มัน อ, อับทีอ่อากาศไม่ถ่ายเทเพราะเชื้อโรคมันจะแพร่ง่ายถ้าอยู่ที่กว้างๆโลง่ลงๆมันจะกระจาย mm hmm. ก็ทำได้เท่าที่เราทำได้แต่ถ้า คิดพิ่ง่าว่าอย่างมากก็เป็นวะคิดเสียแค่นี้ยอมเป็นแล้วใจจะสบายขึ้นเลยถ้าไม่ยอมเป็นเนี่ยโอยมันจะเครียดอะไรนิดอะไรหน่อยก็เครียดขึ้นมาใครอายขึ้นมาหน่อยก็ตกใจไปจับอะไรก็คิดแล้วว่ามีเชื้อโรค ก, ก็ป่า <laughs> เนี่ยความคิดของเราเราต้องเปลี่ยนเปลี่ยนความคิดให้เราตรงกับความเป็นจริงความเป็นจริงของร่างกายเรามันต้องเจ็บไายได้ป่วย ไม่เจ็บวันนี้ก็ต้องเจ็บพรุ่งนี้แหละมันต้องเจอครอบสักวันหนึ่งแล้วโรคที่พวกเราจะต้องเจอกันมันก็มีอยู่สามชนิดเนี่ยโรคชนิดที่หนึ่งก็เป็นโรคที่พอเป็นแล้วก็หายเองฮะเป็นไข้หวัดเนี่ยไม่ต้องไปหาหมอก็ได้อยู่บ้านพักผ่อนหลับนอนกินยาลดไข้กินยาแก้แพ้ไปเดี๋ยวมันก็หายได้ไม่กินก็หาย โรคชนิดที่สองเป็นแล้วต้องไปรักษาถ้าไม่รักษาไม่หายโรคที่สามเป็นแล้วรักษาไม่ได้รักษาก็ไม่หายไม่รักษาก็ไม่หายมีอยู่สามโรคเนี่ยที่ร่างกายของพวกเราทุกคนเนี่ยจะต้องพบกันต้องเจอกันให้เราเปลี่ยนแนวคิดของเราดีกว่าว่าเราต้องเจอโรคเหล่านี้เราจะได้ไม่เป็นคน เขาเรียกคนอะไรคนเครียดเนี่ยคนประสาทบางคนนี้กลัวเชื้อโรคเนี่ยมีเศรษฐีค น, นใน่อเมริกาเนี่ยมาเศรษฐีกลัวเชื้อโรคต้องขังตัวเองอยู่ในบ้านอยู่คนเดียวอยู่ในห้องปลอดเชื้อใครจะเข้าไปเยี่ยมนี่ต้องใส่หน้ากากจะต้องผ่านพิธีการฆ่าเชื้อก่อนเข้าถึงจะยอมพบปะด้วยแล้วมันมีความสุขที่ไหนมีเงินทองเป็นหลายพันล้าน แต่ต้องขังตัวเองอยู่ในห้องคนเดียวอยู่ในบ้านคนเดียวเพราะกลัวเชื้อโรค ก, กลัวตายไม่อยากตายไม่ศึกษาความจริงว่าทำยังไงก็ต้องตายมีห้องปอดเชื้อขนาดไหนมีหมอเก่งขนาดไหนมียาวิเศษขนาดไหนก็ตาม mm hmm. เดี๋ยวมันก็ต้องเจอโรคที่มันรักษาไม่ได้พอโรครักษาไม่ได้มันก็ต้องตายถ้ามันไม่ตายด้วยโรคมันก็ตายด้วย ความแก่ชราเนี่ย น, นะเดี๋ยวร่างกายมันหมดเลี่ยวหมดแรงมันก็ไม่หายใจนะบางคนไม่ได้เป็นโรคนะอย่างโยมแม่เราก็ไม่ได้เป็นโรคหมดแรงหายใจก็เลยไม่หายใจก็อนอนหลับไปไม่ได้เข้าโรงพยาบาลไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยก็รักษาตามอาการก็ หมอให้ยามากินอะไรทำานองแต่ม่นม่าจเป็นโรคที่จะทาให้ตายแต่เหตุที่ทำให้ตายเพราะชาราภาพร่างกายมันหมดแรงหมดสภาพมันก็เลยไม่หายใจไม่หายใจมันก็ตายเราต้องพิจารณาความจริงของขันห้าว่ามันเป็นอย่างนี้มันมีการเกิด้วไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวก็ดับไปดับไปแ ล, แล้วก็ขึ้นใหม่ ถ้าเป็นพวกนามขันเป็นพวกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆ เ, เ, เราตั้งแต่เช้ามาจนถึงบัดนี้ความรู้สึกนึกคิดของเราเป็นไงเหมือนกันไหมตอนเช้ารู้สึกอย่างหนึ่งตอนนี้รู้สึกอย่างหนึ่งเดี๋ยวตอนเย็นก็รู้สึกอีกอย่างมันก็เปลี่ยนไปของมันตามเรื่องตามราวของมันส่วนหนึ่งที่มันเปลี่ยนไปในทางไม่ดีก็คือยูที่ความคิดของเรานี่เอง ถ้าเรารู้จักคิดเป็นนี่เราสามารถควบคุมความรู้สึกได้ให้มันอยู่ในทิศทางที่ไม่มาสร้างความทุกข์สร้างความเครียดให้กับเราได้เนี่ยนี่คือสิ่งที่เราทำได้ถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่เป็นของเราแต่เราสามารถที่จ ะ, ะเหมือนกับว่าเปิดทำทางให้มันไปทางที่ดีได้ให้มันคิดไปแนวทางที่ดีได้คือให้มันคิดไปในแนวทางของไตรลักษณ์เนี่ยพระพุทธเจ้าบอกให้คิด ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามาเกี่ยวข้องด้วยมาครอบครองมาเป็นสมบัติของเราเป็นอะไรของเราเนี้มันจะต้องเปลี่ยนแปลงมันจะต้องไปสู่ที่ที่สุดของมันก็คือถ้าเป็นร่างกายก็คือความตายถ้าเป็นสิ่งของหรือเป็นอะไรมันก็จะไปสู่จุดจบของมันมีเจริญแล้วมันก็ต้องมี มีดับมีเสื่อมเนี่ยคือสิ่งที่เราเกี่ยวข้องกันคืออะไรก็คือลาบยศสรรเสริญนี่ยรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆที่เรามาเกี่ยวข้องกันแล้วก็ร่างกายของเราร่างกายของคนนั้นคนนี้ที่เราเกี่ยวข้องเนี่ยสิ่งที่เราเกี่ยวข้องเหล่านี้เราต้องเปลี่ยนแนวคิดใหม่อย่าไปคิดว่าเขาเป็นนิจขขาานนจังสุขขังอนาตาถ้าเป็นนิจจังสุขังหนาตาก็ต้องลงเล็บว่าชั่วคราว ไม่ใช่ถาวรใช่ตอนนี้เขาให้นิดให้ความสุขกับเราเขาอยู่กับเราแต่พรุ่งนี้ไม่มีใครรับประกันได้ถึงต้องไปซื้อประกันภัยประกันชีวิตกันเพราะ่เพราะไม่มีอะไรถาวรต้องวงเล็บไว้ในข้างในว่าไม่มีอะไรถาวราบยศสารเสริญรูปเสียงกลิ่นรสที่เรามีกันอยู่นี้วงเล็บไว้ว่าไม่ถาวรเป็นนิจจังสุ ข, ขังอัตตาชั่วคราว แลวเราจะได้สบายใจเราจะได้เตรียมตัวรับกับการเปลี่ยนแปลงเราจะได้เตรียมตัวรับกับการยุติการสิ้นสุดลงการที่เราจะรับกับการเปลี่ยนแปลงได้กับการสิ้นสุดลงได้นี้เราต้องมีอะไรมารองรับมีความสุขอีกรูปแบบหนึ่งมารองรับเพราะเราอาศัยราบยศสรรเสริญอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสอาศัยร่างกายของเรานี้ สร้างความสุขให้กับเรานั่นเองแต่เรารู้ว่าต่อไปรูปเสียงกลิ่นรสราบยศเสลเสนี่มันจะต้องยุติลงมันจะต้องจบลงงานเลี้ยงย่อมมีวันสิ้นสุดลงเราต้องมีงานเลี้ยงสำรองเตรียมไว้ที่นี่ไม่เลี้ยงกูก็ไปหาที่กินอีกที่ก็ได้เข้าใจไหมต้องไปเตรียมสถานที่จัดงานเลี้ยงไว้อีกที่หนึ่งเผื่อสถานที่นี้เขาหยุดเลี้ยงเราก็ไปอีกที่หนึ่งได้ พระพุทธเจ้าทรงค้นพบว่ามีอีกที่หนึ่งที่ดีกว่าที่นี้ด้วยเพราะที่นั้นไม่มีวันสิ้นสุดนงานเลี้ยงไม่มีวันสิ้นสุดที่ใหม่ที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบนก็คือที่ใจเรานี่แหละไปทําใจเราให้สงบนไปทําใจให้สงบแล้วเราจะได้ความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนี่แหละคือการตัดสรุปของพระพุทธเจ้าไม่มีใครรู้ว่านอกจากราบยศสารเสริญสุข แล้วเรายังมีความสงบที่จะให้ความสุขกับเราได้ <Yeah. S 2> แล้วเป็นความสงบที่ที่สุขที่แท้จริงที่เป็นนิจจังสุ ข, ขังอัตตาจริงๆ <Yeah. S 2> นิจจังไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไม่มีวันดับ <Yeah. S 2> สุขขังสุขตลอด <Yeah. S 2> อัตตาเป็นของเราอยู่กับเราไปตลอด yeah. อันนี้แหละเราต้องไปหาตัวนี้ให้เจอสร้างตัวนี้ขึ้นมาพอสร้างพร้อมแล้วทีนี้เราก็ไม่เดือดร้อนนะถ้าราบยศสรเสริญรูปเสียงกลิ่นรดมันจะดับเราก็จะไม่เดือดร้อนเพราะว่าเรามีความสุขสำรองอยู่แล้วเหมือนรถยนต์สมัยนี้ก็มีน้ำมันสำรองมีมีแก๊สสำรองไหมใช่ไหมมีทั้งแก๊สมีทั้งน้ำมันถ้าวิ่งไปแก๊สหมดก็ใช้น้ำมันต่อได้ แต่ถ้าเราใช้น้ำมันอย่างเดียวหรือแก๊สอย่างเดียวพอหมดก็ต้องจอดเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันเรายามตอนนี้เรามีแต่ลาบยศเสริญมีแต่รูปเสียงกดลดิ่นรมาให้ความสุขกับเรามีร่างกายมาให้ความสุขกับเราแต่ต่อไปของพวกนี้มันจะต้องเสื่อมร่างกายจะต้องเสื่อมต้องแก่ต้องเจ็บต้องไม่จะไม่สามารถไปหาลาบยศเสริญหารูปเสียงกดลิ่นรมาให้เราเสพได้ เราต้องมีความสุขสำรองความสุขสำรองนี่ก็คือเนี่ยการทำใจให้สงบวิธีที่จะทำใจให้สงบเราก็ต้องไปฝึกสมาธิกันไปถือศีลแปดกันไปอยู่คนเดียวเพราะการจะทำใจให้สงบมันก็เหมือนต้องไปอยู่ที่มันไม่มีอะไรมารบกวนใจมาก็สะเทือนใจนั่นเอง ถ้าเราอยู่ใกล้กับคนอยู่ใกล้กับเหตุการณ์มันก็มาคอยรบกวนใจเราให้เราคิดอยู่เรื่อยๆให้เราคิดให้เราวิตกให้เรากังวลให้เราอยากมันก็จะทําให้เราไม่สามารถทําใจให้สงบได้เราเลยจําเป็นที่จะต้องไปอยู่ที่เขา จัดไว้ให้เราทําใจให้สงบก็คือตามวัดปฏิบัติต่างๆเอวัดสมัยนี้มีสองแหวววัดปฏิบัติกับวัดไม่ปฏิบัติเนี่ยอย่าไปวัดที่ไม่ปฏิบัตินะเช่นวัดที่มีเมนมีงานเนี่ยอันนั้นไม่ใช่เป็นวัดปฏิบัติไปมีแต่เรื่องมีแต่มีงานต่างๆงานบุญบังสังสวดมีงานศพวัดแบบนั้นไม่ใช่เป็นวัดที่จะไปทําใจให้สงบ ต้องไปหาวัดที่ไม่มีงานต่างๆวัดที่ให้ทำแต่งานชนิดเดียวก็คือทำสมาธิทำใจให้สงบเนี่ยเราต้องไปหาสถานที่เหล่านั้นเพราะว่าหนึ่งเราจะได้มีคนสอนด้วยถ้าเรายังไม่รู้จักวิธีทำใจให้สงบการทำใจให้สงบก็เป็นเหมือนกับการทำอะไรต่างๆที่เราทำไม่เคยทำนั่นเ ก่อนที่เราจะทำได้เราต้องไปเรียนจากคนที่เขาทำได้ก่อนว่าทำอย่างนี้ทำทาอย่างไรเช่นจะพิมพ์ดีดนี่พิมพ์อย่างไรจะใช้เครื่องคอมนี่ใช้อย่างไรตอนต้นเราใช้ไม่เป็นเราก็ต้องไปหาคนที่เขาใช้เป็นมาสอนเราการทำใจให้สงบเราก็ทาไม่เป็นเพราะตั้งแต่เกิดมานี่ไม่มีใครสอนเราพ่อแม่ปู่ย่าตายายครูที่โรงเรียน ก็ไม่ได้สอนเราเรื่องการทำใจให้สงบนะผู้ที่จะสอนเราทำใจให้สงบได้ก็ต้องไปอยู่ตามวัดที่มีพระมีผู้ปฏิบัติธรรมที่รู้จักวิธีทำใจให้สงบ แล้วเขาก็จะสอนเราวิธีว่าการจะทำใจให้สงบนี้เราต้องคอยหยุดความคิดนะต้องควบคุมความคิดแล้วก็ต้องอย่าไปรับรู้เรื่องเสียงเรื่งต่างๆที่เข้ามาทางตาหูจมูกนิ้นกายถ้าจะมาปฏิบัติก็ปิดมือถือนะอย่าเปิดมือถือถ้าจะใช้มือถือก็ใช้เวลาฉุกเฉินเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยต้องการความช่วยเหลื อ, อก็เปิดมา แต่ปกติปิดมันนะอย่าเปิดพอเปิดไว้เดี๋ยวคนโทรเข้ามาก็ต้องรับสายพอได้ยินเสียงก็มีเรื่องเข้ามาทางทางหูแล้วพอฟังขึ้นมาเดี๋ยวเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาเกิดความอยากขึ้นมาแล้วเดี๋ยวทำไปทำมาอยู่ไม่ได้นะต้องกลับไปหาเรื่องอีกแล้ว งั้ถ้าจะไปทําใจให้สงบนี้ต้องปิดช่องทางที่จะมาติดต่อกับเราทางตาหูจมูกนิ้นกายที่จะเข้ามาทางตาหูจมูกนิ้นกายต้องปิดให้หมดไม่มีทีวีดูไม่มีมือถือดูฟังไม่มีของกินของดื่มให้กินครั้งวันละครั้งถ้าสถานที่ปฏิบัติเขาจะให้กินมื้วันวันละหนึ่งมือ้อ กินและดืม่มพร้อมกันไปเลยอยากจะกินอะไรอยากจะดืม่มอะไรเอามันหนนเดียวหลังจากนั้นก็เอาน้ําเปล่าน้ําเปล่านี้จําเป็นร่างกายต้องมีน้ําเหมือนกับมีลมหายใจลมหายใจนี้ต้องหายใจอยู่ทุกเวลานาทีน้ําก็ต้องคอยดื่มทุกชั่วโมงอย่างน้อยชั่วโมงหนึ่งก็จะรู้สึกกระหายน้ำํำหิวน้ําขึ้นมาก็ดื่มน้ําเปล่าไปอย่าดื่มเครื่องดืม่มเพราะเครื่องดื่มมันมี มีรูปเสียงกลิ่นรสที่จะมาทำให้ใจไม่สงบนะเนั้นต้องดื่มน้ำเปล่าแล้วก็จะได้ไม่มีอะไรมากระตุ้นมาสร้างความไม่สงบให้กับใจแล้วจะได้มีจะได้ทำใจให้สงบได้ง่ายแต่การไม่มีอะไรมากระตุ้นใจนี้ยังไม่พอนะเพราะใจมันยังกระตุ้นตัวมันเองได้ อยู่คนเดียวยังนั่งฝันถึงบ้านถึงแฟนถึงเพื่อนถึงถึงลูกถึงอะไรต่างๆได้อยู่ตอนนั้นเราก็ต้องมาสกัดไอตัวคิดตัวนี้เราต้องใช้กรรมาฐานแทนที่จะมานั่งคิดให้มานั่งสวดกันสวดอิีปิโสไปร้อยจบนะนับเราได้ถ้าสวดไปร้อยจบมันจะเหนื่อยมันจะไม่อยากจะคิดนะ มันให้วิ่งสักสิบโลนี่มันจะไม่อยากจะทำอะไร อ, อยากจะนั่งแล้ว อ, อยากจะนอนจิตของเราก็เหมือนกันถ้าให้มันทำงานแบบที่ไม่มีพิษมีภัยเช่นการสวดมนต์สวดไปสักร้อยจบนี่แมันจะเหนื่อยมันจะไม่อยากจะคิดอะไรมันจะนั่งเฉยๆได้อยู่เฉยๆได้แล้วก็จะสงบแล้วก็จะมีความรู้สึกเบาอกเบาใจสบายอกสบายใจขึ้นมา การที่เราสวดมนต์นนีะ่ยังไม่ได้ผลเพราะสวดน้อยไปสวดแค่ห้านาทีสิบนาทีก็เลิกแล้วต้องลองสวดอ e ิติปิโสสักร้อยจบดูเนิ บางทีเกือบชั่วโมงหร้อชั่วโมงน่เนี่ยถ้าสวดอย่างนั้นรับรบองนะว่าใจมันจะเหนื่อยกับความคิดมันจะไม่อยากจะคิดอะไรมันอยากจะนั่งเฉยๆเพราะมันเหนื่อยเหมือนคนที่ให้วิ่งสักสิบโลยี่สิบโลนี่มันจะไม่อยากไปทาอะไรแล้วตอนน้อยากจะนั่งเฉยๆอยากจะพักอยากจะนอนเนี่ยอันนี้คือวิธีการที่จะทำใจให้สงบใจที่มันยังมีกำลังวังชามากเนี่ย เวลามาเริ่มตอนปฏิบัติใหม่ๆนี้ให้มันอยู่กับอะไรมันไม่ยอมอยู่ให้มันอยู่กับพุทโธก็ไม่อยู่ให้มันเดินจงกรมมันก็ไม่อยากจะเดินมันจะคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดถึงคนนั้นคนนี้อยู่เรื่อยๆเอามันมาสวดอิติปิโสสักร้อยจบเนะบังคับมันเหมือนบังคับให้มันวิ่งมาราธอนเนาะสวดไปร้อยจบแล้วทีนี้มันจะเหนื่อยมันจะไม่มีแรงจะไม่อยากจะคิดนะฉะนั้น ตอนนั้นนั่งสมาธิก็สงบได้เลยวให้มันดูลมเฉยๆการดูลมนี่ไม่เหนื่อยเพราะดูเฉยๆไม่ต้องทำอะไรการบริกรรมพุโทโธยังเหนื่อยอยู่ยังต้องใช้ใช้แรงอยู่แต่การดูลมนี่สบายให้ดูเฉยๆเท่านั้นเองดูว่าตอนนี้ลมกำลังเข้าลมกาลังออกไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกให้ดูเฉยๆเพื่อไม่ให้มันไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ พอถ้าดูลมได้ไม่คิดอะไรได้เดี๋ยวจิตก็ดิ่งเข้าสู่ความสงบเหมือนตกหลุมตกบ่อตกเหววูบลงไปแล้วทีนี้ก็นิ่งสงบสบายทีนี้ไม่ต้องควบคุมอะไรแนละ้วมันไม่มันหยุดเมือนถ้าเป็นคนก็เหมือนนอนหลับแนละ้วทีนี้ ไม่ต้องไปคอยเฝ้าว่าเขาจะหนีไปทำอะไรหรือเปล่าถ้าเป็นตำรวจเฝ้านักโทษก็ไม่ต้องไปเฝ้าแล้วถ้าเห็นนักโทษมา น, นอนหลับเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกนรารพอจิตรวมเป็นสมาธิแล้วทีนี้สตุกสติอะไรไม่ต้องมาควบคุมแล้วไม่ต้องสวดอีทีปิโสไม่ต้องดูลมหายใจตอนนั้นมันจะรู้เองว่าโอ้ยตอนนี้จิตเรานิ่งเฉยสงบสบายเหลือเกินแล้วก็เจอความสุข ในรูปแบบใหม่นี่เองนี่แหละนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องการคือความสุขที่เกิดจากความสงบที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง พอเราเข้าถึงความสุขกันนี้ได้ครั้งแรกแล้วเราก็จะสามารถกลับเข้าไปได้อยู่เรื่อยๆเพราะเรารู้วิธีแล้วรู้วิธีที่จะเข้าหาความสุขแบบนี้แล้วเราทุกครั้งจะมาหาความสุขแบบนี้เราก็เริ่มที่อิติปิโสไปก่อนแล้วก็นั่งดูลมต่อต่อไปถ้าจิตมันไม่ดิ้นมันไม่คิดมากก็ไม่ต้องอิติปิโสก็ได้นั่งหลับตาแล้วก็ดูลมห้านาทีสิบนาทีมันก็เข้าถึงความสงบแล้ว แล้วเราก็จะได้เปลี่ยนวิธีหาความสุขได้เลิกพึ่งลาบยศสรรเสริญเลิกพึ่งรูปเสียงกลิ่นลดเลิกพึ่งร่างกายเลิกพึ่งคนนั้นคนนี้มาให้ความสุขกับเราเพราะเราสามารถมีความสุขได้จากการทำใจให้สงบนี่แหละเป็นเป็นวิธีที่เราจะมาแก้ปัญหาที่พวกเรามีกันอยู่ทุกวันนี้ เราหาความสุขจากลาบยศเจริเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสหาความสุขจากขันห้าพูดยังไงแต่ขันห้าของเรามันก็มันไม่ได้ให้ความสุขเราเพียงอย่างเดียวบางทีมันก็ให้ความทุกข์กับเราอังะั้นเราต้องเปลี่ยนวิธีอย่าไปหาความสุขจากขันห้าอย่าไปหาความสุขจาก รูปเวทนาสัญญาสังขารเวิญญาณอย่าไปหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงเกล็ดลอนต่างๆให้มาหาความสุขจากการฝึกสตินั่งสมาธิทำใจให้สงบพอเรามีความสุขจากความสงบแล้วเราก็ไม่ต้องไปหาลาบยศสรรเสริญไม่ต้องไปหารูปเสียงเกลด็ดลอ ไม่ต้องกังวลว่าร่างกายเราจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่จะแก่หรือไม่จะตายหรือไม่ไม่มีปัญหาร่างกายแก่ก็ไม่เดือดร้อนร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่เดือดร้อนร่างกายตายก็ไม่เดือดร้อนเพราะใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายแล้วความสุขที่ได้จากความสงบก็ไม่ได้ตายไปกับร่างกายอยู่ในใจของเราต่อไปอยู่ในใจ ที่จะทําให้ใจไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ไม่ต้องมามีร่างกายอันใหม่เป็นใจที่ไม่ต้องมาติดกับขันห้าอีกต่อไปไม่ต้องมีขันห้าให้มาเครียดให้มาทุกข์อีกต่อไปใจอยู่กับความสงบที่เกิดอยู่กับความสุขที่เกิดจากความสงบที่ใจได้สร้างขึ้นมาด้วยสติและปัญญาตอนต้นเราได้สติได้ความสงบจากสติก่อนซึ่งเป็นความสงบชั่วคราว ขั้นที่สองเราต้องใช้ปัญญาเพื่อเปลี่ยนความสงบชั่วคราวให้เป็นความสงบถาวรด้วยการใช้ปัญญากำจัดตัวที่มาคอยทําให้ใจไม่สงบตัวที่ทําให้ใจไม่สงบก็คือกิเลสตัณหาโมหะอวิชชานี่เองเราต้องกำจัดมันด้วยปัญญาด้วยไตรลักษณ์ด้วยอริยสัจสี่ ถ้าเรามีไตรลักษณ์มีอริยสัจสี่แล้วเราจะกำจัดกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาให้หมดไปจากใจได้พอไม่มีกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาในใจใจก็จะสงบไปตลอดให้ความสุขไปตลอดเรียกว่าเป็นบรมสุขบรมังสุขขังขึ้นมาใจที่ให้บรมสุขก็คือใจที่สะอาดบริสุทธิ์ใจที่ปราศจากกิเลสตัณหาโมหะอวิชชา ก็คือใจที่เราเรียกว่านิพพานนี่เองใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอาหารหันตาสาวกใจของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างพวกเราถ้าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างไม่หยุดไม่ยัง้งต่อไปใจของเราก็จะเป็นแบบนี้ใจของเราก็จะเป็นนิพพานเพราะไม่มีกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาใจของเราก็จะมีความสุขในตัวของมันเอง ไม่ต้องไปเพิ่งความสุขจากขันห้าอีกต่อไปเราก็ปล่อยวางขันห้าได้ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้ได้เราก็จะไม่ต้องมาทุกข์อีกต่อไปเพราะสิ่งต่างๆในโลกนี้มันมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์มาด้วยกันได้สุขแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องกลายเป็นทุกข์ไปเพราะมันมีการเปลี่ยนแปลงมีการเสื่อมมีการเจริญแล้วก็ต้องมีการดับไป แต่ถ้าเราได้มาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องขันธ์ห้าแล้วน้อมนําเอาไปปฏิบัติตามคาสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้าได้เราก็จะได้ไม่ต้องมาพึ่งขันธ์ห้าอีกต่อไปไม่ต้องมาพึ่งขันธ์ห้าเป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับเราเราสามารถหาความสุขไดจากการทำใจให้สงบกำจัดกิเลส ต, ตัณหาโมหะอวิชชาให้หมดไปจากใจ ใจเราก็จะหมดทุกข์หมดโศกหมดภัยสิ้นสุดแห่งความทุกข์ทั้งปวงได้นี่คือเรื่องของขันธ์หน้าที่นำมาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร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 จันโทปันาราโสยธามณีโชติราโสยธาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภาวะตวันตารโยสุขิทีคายุโกภาวะ าพิวาทานาสีิตธานิจังวุฒาปจายโนยตาโรธรรมวาทานติอายุวันโอสุขังภาล่งช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามคำถามใครมีคำถามอะไรไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะ ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้ช่วงเดียวหลังจากเลิกแล้วจะไม่สะดวกเพราะต้องมีอะไรอย่างอื่นต้องทำอีกถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่วันนี้จาก Facebook 527 y o ย t u b e 421วิทยุออนไลน์16ผู้รับฟังวันนี้49รวม1013ท่านคะ่ะโอเค คำถามจากคุณชัยชัยค่ะเคยได้ยินมาว่าใกล้จะตายให้น้อมจิตเกาะพระนิพพานและไม่ขอกลับมาเกิดอีกจะเป็นไปได้ไหมขอพระอาจารย์เมตตาอธิบายครับอันที่เขาสอนให้น้อมจิตตั้งแต่บัณฑิตไม่เคยได้ยินกันเรือไงให้ร <laughs> ีบปฏิบัติตั้งแต่ก่อนที่จะตายไม่ใช่มารอปฏิบัติตอนใกล้าตายโอ๊ยให้เรื่องดีๆไม่ฟังไม่ฟังให้เรื่องไม่ดี <laughs> ก่อนจะใกล้าตายมันจะมีกรจีกจ๊กระจายจะไม่น้อมจิตไปนิพพานได้ไง มันจะมีแต่ความกลัวความเครียดต้องน้อมตั้งแต่ตอนนี้ตอนที่เรามีกำลังวังชาดีมีเวลาเพราะการน้อมจิตไปนิพพานมันไม่ใช่เหมือนกับไปซื้อขนมมากินเนอะมันต้องใช้ความเพียรความพยายามมาก งั้ต้องฝึกตั้งแต่บัดนี้พระพุทธเจ้าบอกให้คิดว่าสมมุติให้เราสมมุติว่าเราจะตายวันนี้ให้คิดอย่างนี้เพื่อเราจะได้รีบน้อมจิตให้ไปนิพพานกันตั้งแต่บัดนี้ไม่ใช่มารอเวลาจะตายจริงๆแล้วไปน้อมมันไม่มีมันไม่มีการจิตจใจจะน้อมหรอกเพราะขนาดตอนนี้จิตสบายๆ ย, ย่างน้อมไม่ได้แล้วตอนที่จิตมันเครียดมันจะไปน้อมหาอะไรชอบฟังใอ้เรื่องที่มันไม่เข้าเรื่อง ใ้เรื่องที่เข้าเรื่องไม่กลับไม่ได้ยิน แต่คุณอาจารย์นั่งสมาธิได้สักสี่สิบนาทีทุกครั้งก็จะเกิดทุกขเวทนาพยายามสู้แต่ก็ยังผ่านไปไม่ได้ไม่ก้าวหน้าสักทีขอคําชี้แนะด้วยเจ้าค่ะเราสู้ต่อไปสติไม่ดีพอต้องฝึกสติให้มากๆเอคอยควบคุมความคิดเอย่าปล่ให้ใจไหลไปกับความคิดดึงมันด้วยพุโทโธดึงมันด้วยอิติปิโสสวดไปแล้วเดี๋ยวให้มันคอยเฝ้าดูว่ากําลังทําอะไรอยู่ แล้วต่อไปเวลานั่งสมาธิมันจะนิ่งจะสงบได้ง่ายกว่าอย่าไปดูเวลาให้ดูสติให้มีสติสติเป็นตัวที่จะทำให้เรานั่งได้นานได้เพราะเพราะเวลาสงบแล้วมันจะไม่อยากลุกอ่ะมันอยากจะนั่งไปเรื่อยๆแต่ถ้ามันไม่สงบแล้วเดี๋ยวก็อยากจะลนะุกแล้วเดี๋ยวค่อยดูนาฬิกาแนละ้วถึงเวลาแล้วยังนั่งดูนาฬิกามันก็ได้นาฬิกานะ ถ้านั่งดูสติก็จะได้ได้สมาธิได้ความสงบเนี่ยยังดูว่าเรามีสติหรือเปล่าเราคิดหรือเปล่าถ้าคิดก็รีบนึงสติกลับมาพุโทโธพุโทโธดูลมหายใจหรือสวดอิติปิโสไปคุณนิยามีสองคำถามนะคะ คำถามที่หนึ่งทำไมเวลามีใครมาพูดกับเราว่าคนฟังทำอะไรเห็นยังโกรธอยู่เวลาฟังแบบนี้รู้สึกโกรธทวีคูณขึ้นสุดๆเลยเจ้าค่ะอยากทราบว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นแล้วควรแก้อย่างไรดีเจ้าค่ะก็เพราะว่าเราคิดว่าเราฟังธรรมแล้วเราเก่งไงคาเจืการฟังธรรมนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเราก็ยังเป็นปุถุชนยังเป็นคนมีกิเลสนะเหมือนเดิมเห็นเวลาใครเขาว่า คนฟังธรรมแล้วมีความโกรธก็ใช่สิก็กูยังเป็นมีกิเลสอยู่จะไปโกรธเขาทําไมเ <c oughs> นี่ยบางคนคิดว่าพอเริ่มปฏิบัติธรรมนี่จะเป็นพระอริยะกันขึ้นไปนะง<ม>ั้นมันถึงโกรธเวลาใครมาพูดว่าปฏิบัติธรรมมาทำไมยังโกรธอยู่ก็ยังไม่เป็นอริยะยังไม่บรรลุมันก็ต้องโกรธเป็นธรรมดานสิงั้นอย่าไปโกรธเขาอย่าไปคิดว่าเราเก่ง ถ้าเรายังโกรธอยู่เราไม่เก่งแล้วใช่ไหมคำถามที่สองสังคมในยุคนี้จะเริ่มเสื่อมจากศีลธรรมขึ้นเรื่อยๆอลัชชีมีเยอะแยะมากมายน่าสังเวชจริงๆเลยเจ้าค่ะเราควรจะทำอย่างไรไม่ให้คล้อยตามกระแสของกิเลสโลกเจ้าค่ะเราก็ต้องเรื่องครอบคนดีครอบคนมีศีลมีธรรมอาศวนาจบารานังบันดิตานันจะเสวนาเอตัมมังกัลมุตตัง การครบบัณฑิตหนึ่งการไม่คบคนพานหนึ่งเป็นมงคลอย่างยิ่งนะอย่าไปคบอลัชชีให้คบกับคนมีศีลมีธรรมมีสัตว์นะแล้วก็ก็แยากสังคมกันไปสังคมของเขาก็เรื่องของเขาสังคมของเราก็เรื่องของเราเราก็ไปวดัดไปวากันเขาก็ไปบาไปผับกันก็คนสังคมไปเท่านั้นเองคุณสุรศักดิ์ การที่เราตายหรือเห็นคนอื่นตายจิตกับวิญญาณจะมีความรู้สึกอย่างไรครับการที่เราเห็นคนอื่นตายเนี่เห็นเราตายแล้วจิตวิญญาณจะมีความรู้สึกอย่างไงจิตกับวิญญาณจะดูไม่ดูคนตายมาถามเราทำไมน่ะคยดูคนตายแล้วดูที่จิตของคุณเป็นยังไงจิตของคุณเป็นยังไงวิญญาณของคุณก็เป็นอย่างนั้นแหะเพราะจิตกับวิญญาณก็ตัวเดียวกันเพียงแต่ว่าเวลามีร่างกายเราก็เรียกว่าจิตเวลาไม่มีร่างกายเราก็เรียกดวงวิญญาณนั่นแะ นรมนถ้าเห็นว่าจิตเป็นแค่ตัวรู้จิตรู้ว่ากายเป็นแค่คนใช้ใจก็เฉยแต่เห็นใจมันเหมือนลิงชอบไปเกาะกิเลสตัวตันหาต้องสอนใจอย่างไรเจ้าคะก็ฆ่ากิเลสฆ่าตันหาสิอย่าไปทำตามมันกิเลสบอกให้ไปใช้ร่างกายไปเที่ยวก็ไม่ไป เอาไปเอาไปไปวัดไปปฏิบัติธรรมไปฆ่ากิเลสอย่าไปรับใช้กิเลสอย่าเอาร่างกายไปรับใช้กิเลสด้วยการไปเที่ยวตามบาตามผับตามลงมหอรอศพต่างๆตามงานต่างๆตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆให้ดึงใจไปฆ่าฆ่าลงฆ่ากิเลสไปที่วัดกันวัดเนี่ยเป็นลงฆ่ากิเลสลงฆ่าสัตว์สัตว์ก็คือกิเลส กามโลกความวาอยากต่างๆนี่ไปวัดนี่ถูกฆ่าตายหมดเนี่ย <laughs> คุณมลิวรรณการสวดมนต์ที่มีทํานองสระพันญะเป็นกิเลสไหมเจ้าคะเพราะเวลาช่วงที่เราสวดบ่อยๆจนบางครั้งเสียงสวดมนต์จะก้องอยู่ในใจเวลาที่เราทํากิจกรรมต่างๆเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่เราไม่เอาเราสวดธรรมดาดีกว่า ส่วนแล้วเป็นทํานองนี้มันก็แสดงว่ามันมีกิเลสแล้วมันถ้ามันติดมันไม่ได้ติดบทสวดแล้วมันไปติดทํานองอ ม, มันต้องติดบทสวดสวดเพื่อให้หยุดความคิดต่างๆไม่ได้สวดเพื่อให้เกิดความสุขจากการได้สวดทํานองต่างๆคุณนกหากบรรลุธรรมขั้นอรหันต์ในขณะเป็นคารวาสแล้วไม่บรรพชาจะเสียชีวิตจริงหรือไม่อย่างไรเจ้าคะ ไม่บรรล ก, ก็เสียชีวิตเหมือนกันไม่ว่าผ้าหลานหรือไม่เป็นผ้าหลานก็เสียชีวิตเหมือนกันเพราะร่างกายมันไม่ได้เป็นผ้าหลานผู้ที่เป็นผ้าหลานก็คือจิตใจจิตใจก็ไม่กลับมาเกิดเท่านั้นเองไม่เวียนว่าตายเกิดแต่ร่างกายของพระพุทธเจ้าก็ตายร่างกายของครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านก็ตายที่นนะ่ตายชา้าตายเร็วเท่านั้น ต่างกันแล้วแต่เหตุการณ์ช่วงนี้อาจจะตายเร็วเดี๋ยวโดนไข้หวัดใหญ่เข้านี้่มันอยู่ที่สภาวะต่า ง, างๆที่ทําให้ร่างกายตายไม่ใช่อยู่ที่การเป็นอราหันต์หรือไม่เป็นอราหันต์บางคนบอกว่าถ้าถ้าเป็นฆราวาสแล้วบรรลุเป็นพระอราหันต์แล้วถ้าไม่ได้บวชภายในเจ็ดวันจะตายทํำไมต้องไปบวชครับเป็นพระอราหันต์แล้วต้องไปบวชหาอะไรเป็นพระอรหันต์มันก็เป็นพระอยู่แล้วมันก็บวชอยู่แล้ว ที่ไปบวชก็พอไปเป็นพระอรหันต์กันไม่ใช่หอะไรวะ <c ười> คิดกันไม่เป็นเลยเนี่ยชอบฟังไอ้เรื่องไร้สาละทั้งหลายเนี่ยเวลาใกล้าตายค่อยไปเตรียมตัวไปพันนิพพานกันอย่างเงี้ยถ้าเป็นเป็นพระอรหันต์แล้วถ้าไม่ได้บวชพระในวันจะตายขึ้นมาอีกแล้วโอ้ยเปนแต่เรื่องแปลกๆดีๆมาเล่ากันนะฮ่าๆ <c ười> <c ười> หมดแล้วแหละ พวกเรามันพวกมุงคนตื่นข่าวไม่ศึกษาจากแหล่งที่ถูกต้องคือพระไตรปิฎกหรือครูบาอาจารย์คือพระอริยสงสาวกไม่ชอบฟังพวกปากนกปากกาพูดกันเถียงกัน พวกนี้เขาเรียกว่าพวกตาบอดคำช้างเคยได้ยินเรื่องตาบอดคำช้างไหมตาบอดสี่คนหรือห้าคนเนี่ยเดินไปแล้วไปเจอตัวช้างคนหนึ่ง้าไปเจอจับที่หางว่าเฮ้ยเจอเชือกไว้เชือกเส้นมาเริ่มเลยอีกคนหนึ่งเฮไม่ใช่เชือกอเเอจองงูไปจับมวงเข้าหลืไปเจองูอีกคนบอกไม่ใช่เจอหอกไปจับ อ, อีกคนบอกไปเจอกำแพง อมันก็พวกตาบอดคําช้างไม่รู้เรื่องว่าตัวเองไปเจออะไรเรื่องที่พพูดที่ได้ยินได้ฟังมาก็ไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรพอพูดแล้วก็คิดไปตามภาษาคนตาบอดคิดไปอย่าไปฟังเรื่องราวเหล่านี้ไปศึกษาพระสูตรต่างๆในพระไตรปิฎกดีกว่าเนี่ยเป็นชาวพุทธรู้จักธรรมจักกับปวัตนตรรลลสูตรหรือเปล่ารู้มงคลสูตรหรือเปล่าเคยอ่านหรือเปล่าเออ สติปฐานสูตรอนัตตลักษณะสูตรเนี่ยพระสูตรสำคัญสำคัญสี่ห้าพระสูตรนี้ถ้าเกิดมาเป็นพุทธแล้วไม่รู้จักพระสูตรอันนี้ก็ถือว่ายังไม่เป็นพุทธแท้เป็นพุทธในทะเบียนบ้านนี่นต้องศึกษาศึกษาจากพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์แล้วไอ้เรื่องมงคลตื่นข่าวต่างๆมันจะได้หายไปมาก็จะไม่เชื่อ เคยได้ยินการลมาสูตรหรือปเปล่าเราจะสอนวิธีเชื่อหรือไม่เชื่ออย่าไปเชื่อในสิ่งที่เขาพูดกันให้เชื่อต่อเมื่อเราได้พิสูจน์แล้วว่าจริงหรือไม่จริงอย่าไปเป็นแบบกระต่ายตื่นตูมให้ต่อยพิสูจน์กันว่าแผ่นดินถล่มตรงไห น, นเป็นต้องเป็นแบบราชสีไม่กลัวต้องกล้าหานกล้าพิสูจน์ความจริง ใครก็พูดว่าไอ้นั่นเป็นไอ้นั่นเป็นนี่เพราะเขาเป็นครูบาอาจารย์เราก็ไม่จําเป็นจะต้องเชื่อเราพูดนี้ก็ไม่ต้องเชื่อเอาไปพิสูจน์กันว่าสิ่งที่เราพูดนี้จริงหรือไม่จริงแล้วค่อยพอรู้ว่าจริงก็ไม่จริงก็ไม่ต้องเชื่อแล้วมันรู้ว่าเป็นความจริงแะ้ถ้าไม่จริงก็จะได้ไม่เชื่อจะได้ไม่ต้องมาฟังเทศฟังธรรมอีกต่อไป <laughs> เราก็จะได้ไม่ต้องมานั่งเทศนลย หลการละโมสูตรธรมมจกกักรกบวตนสูตรมงคลลสูตรสติปัฏฐานสูตรอนัตตลกขณะสูตรอาทิตยตยะสูตรเนี่ยสูตรเหล่านี้แหละเป็นสูตรหลักสูตรสําคัญที่จะสอนให้เราเป็นพระอรหันต์กันให้เราหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตาเยเกิดกันไปเรียนกันนะต้องเรียนจาก จากของแท้ก่อนเราจะได้รู้ว่าเวลาไปฟังจากคนอื่นจะได้รู้ว่าเขาพูดจริงหรือไม่จริงเพราะเรามีของแท้มาพิมาเปรียบเทียบเหมือนกับขับรถเนี่ยขับรถถ้าไม่มีเกบอกความเร็วเราก็า จ, จะคิดว่าวิ่งร้อยสองร้อยหรือวิ่งห้าสิบแต่ความจริงมันคิดว่าวิ่งห้าสิบแต่มันอาจจะวิ่งร้อยห้าสิบก็ได้แต่ถ้ามีเกวัดความเร็วมันจะได้รู้ว่าเราหลอกตัวเราเองไม่ได้นะครับ ทันใดถ้าเราไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้ามาวัดคำสอนของคนอื่นเราก็ไม่รู้ว่าเขาสอนจริงหรือไม่จริงถูกหรือไม่ถูกยังไม่มีมานะมีแล้วค่ ะ, ะมีก็ถามต่อคุณนัฐมา น, นวี เมื่อไหรเราจะรู้ว่าเราต้องยกจิตจากสมาธเป็นวิปัสนาได้คะจะมีข้อสังเกตจิตของเราอย่างไรได้คะอต้องเข้าสมาธิได้ทุกเวลาก่อนเข้าได้ง่ายคายได้เร็วอยู่ได้นานพออยากจะนั่งสมาธิปั๊บห้านาทีก็เน่งสงบครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งได้ทุกครั้งทุกเวลาเหมือนถัดยิงปืนเนี่ เวลายิงปืนถ้าใหม่ๆยังไม่ทะลุเป้าไม่เข้าตรงศูนย์นี่ยังออกไปที่เก้าที่เจ็ดที่หกนี่แสดงว่ายังไม่แม่นใช่ไหมก็ต้องหัดยิงให้มันทุกนัดนี่ให้เข้าไปที่ตรงศูนย์อ่ะ mm hmm. พอเข้าตรงศูนย์ทุกนัดแล้วทีนี้ก็สามารถเอาไปยิงใครได้นะยิงนัดเดียวก็ตายถ้ายิงไม่เข้าเป้านี่ยิงห้หกนัดก็ไม่ตายอันนี้ก็เหมือนกันถ้าสมาธิยังไม่แก่กล้ายังไม่ชํานาญเดี๋ยวออกไปทางปัญญาแล้วมันจะฟุ้ง เดินจะสั่งให้มันไปคิดทางปัญญามันไม่ไปมันจะไปทางกิเลสแทนเพราะฉะนั้นต้องให้สมาธิชำนานก่อนแก่กล้าเหมือนขับรถเนี่ยหัดขับรถให้ชานานก่อนที่จะออกไปขับบนท้องถนนใหญ่ถ้ายังไม่ชนานาญก็หัดขับตามตอกตามซอยไปก่อนตามที่ที่ไม่มีรถวิ่งพอเราชานาญในการขับแล้วทีนี้เราค่อยออกไปตามท้ทองถนนใหญ่ได้ เจอคุณโบคนเราเจอกันไม่ใช่ความบังเอิญใช่ไหมเจ้าคะไม่รู้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นอีกคําพูดหนึ่งที่ชอบพูดกันแล้วกันไม่มีอะไรบังเอิญก็ไม่รู้ล่ะนี่คำว่าบังเอิญมันมาได้งไงถ้าไมัไม่มีบังเอิญแล้วคําว่าบังเอิญมันจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรใช่ไหมจะว่าบังเอิญก็ได้ไหมบังเอิญก็ได้ไม่เห็นมีความสําคัญตรงไหน ความสำคัญว่าเจอกันแล้วได้อะไรดีกว่าได้สุขหรือได้ทุกข์ได้ประโยชน์หรือได้โทษดีกว่าจะไปสนใจทาไมว่ามันบังเอิญหรือไม่บังเอิญใช่ไหมการมาเจอพระพุทธศาสนาบังเอิญหรือเปล่าบังเอิญหรือไม่บังเอิญก็ไม่สำคัญสำคัญว่าเจอแล้วทำอะไรจะได้จากพระพุทธศาสนาหรือเปล่านั้นสำคัญกว่า ฉะนั้นเนี่ยชอบไปคิดเรื่องอะไรที่มันไร้สาระเรื่องที่ไม่มีคุณไม่มีประโยชน์อเรื่องที่มีคุณมีประโยชน์กับไม่มาเสียเวลานั่งคิดกันเพราะกิเลสมันไม่ยอมให้คิดกิเลสมันไม่อยากให้เรามาทําสิ่งที่เป็นสาระเป็นประโยชน์มันชอบให้เราไปคิดไปทําในเรื่องที่มันไร้สาระไร้ประโยชน์หมดแล้วเลยโอเคหมดแล้วก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา